เรฟังทำกันานี้อย่าง น, น้อยๆก็มีกลุ่มทำวัดกันสองกลุ่มใหญ่ๆสลาหอไตหอสลาหน้าเด็กเล็กๆได้เวลากล่าววัดจดมือนกัน ต่ที่สังเกตก็มีเด็กหลายคนไม่ได้บดื่อสำเนินร้องไห้เสียอกเสียใจนื่องจากไม่ได้สมัครมาทั้งอินเทอร์เน็ตเนื่องจากจำนวนมันเกินตัวเลขที่ตั้งเอาไว้ เนื่องจากอายุไม่ครบกำหนดไ ว, ไว้ยังไม่ถึงเกณฑ์อีกกลุ่มก็เสียใจที่จะได้บวชก็ร้องไห้บางคนไปผี่ป่านะอาตายยายย่าหลากแขนจูงแขนสะบัดมือ ไม่บวชบางคนก็ดึงบางคนก็ดันบางคนก็เกิดแรงบันดาลใจอยากบวชด้วยตัวตัวเองเห็นว่าเด็กเยอะดีคงจะสนุกทุกๆปีก็เห็นว่าหลังจากบวชไปแล้วสัก2องวัน3าวันก็อยากศึกกันเป็นแถวร้องให้ ต้องขอพระพี่เลี้ยงบ้างเขยเห็นจิตใจนะจิตใจของเขาของเราของเราก็พยายามเห็นว่าเป็นทางสว่างเห็นว่าอบรมปฏิบัติธรรมเขาก็สามารถพึ่งใจเขาเองได้ เหมือนกับที่เราเคยเป็นเราเคยร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจได้ดังใจไม่ได้ดังใจผ่านอายุแบบเด็กๆมาก็จำได้เคยทุกข์เหมือนกันก็อยาจะบอกทางไม่ทุกข์มันก็มีอยู่โดยเพราะความรู้สึกตัวเนะี่ยมันไม่เกี่ยวกับเด็กรวบคนโต การมีสติมีปัญญาเนะมันเกี่ยวกับว่าถ้าใครมีกว่นนั้นก็ไม่ทุกข์สามารถคิดพูดทำเป็นเหตุเป็นผลอยู่กับสังคมอยู่กับชุมชนอยู่กับโลกใบนี้ได้เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหายสงสัยเรื่องชีวิต เกิดมาทำไมจะอยู่ไปเพื่ออะไรตายแล้วมันจะไปไหนนหยสงสัยเรื่องกายเรื่องใจเรื่องชีวิตแต่ว่าธรรมะนี่ลักษณะของธรรมเนี่ยมันเป็นความประณีตเป็นความละเอียด มันเป็นความลึกซึ้งมันเป็นความสงบมันเป็นลักษณะไม่ได้รู้ด้วยการคิดกันตรึกกันตรองหาเหตหาผลเปรียบเทียบเอาถูกเอาผิดแต่ว่าวิสัยบัณฑิตน่ยมันรู้ได้ลักษณะของธรร ม, มวิสัยบัณฑิตถึงจะรู้ได้ มันเป็นไปเพื่อการแม่ราคาทางวัตถุ ก, กามคุณรูปรสกลิ่นเสียงโปรตพาธรรมลมมันเป็นไปเพื่อความดับทุกมันเป็นไปเพื่อสันโดษมันเป็นไปเพื่อไม่ประกอบไปด้วยความเป็นสัตว์สัตว์มนุษย์ มนุษย์เงินเดือนเป็นไปเพื่อราบสกาแล้วเป็นไปเพื่อพวกพ้องบริวารระหนักของธรรมมันเป็นระนาที่รู้ได้ได้วยตัวของตัวเอง<ม>โดยว่าะตรงกล้งที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้เอาเอง เป็นไปเพื่อไม่สังสมไม่อยากใหญ่เรื่าของธรรมมันเป็นเรื่าของอิสรภาพทางจิตวิญญาณมันเป็นคำตอบอยู่ตรงที่นะทุกครั้งที่รู้สึกตัวซะด้วยมีกายรู้กายมีใจรู้ใจมีสติรู้สติมีธรรมรู้ธรรมจะรู้ได้ยังไงก็ต้องเปิดตาที่สาม ตาสติตาปัญญาทางไหนถึงจะเปิดได้ก็ต้องปลุกมันหน่อยตอนนี้คงจะปลุกเนนเงินพอสมควรทีเดียวไหวกำลังกินกำลังนอนตีสามตีสี่มันก็ที่เราปลุกตัวเองปลุกมาหลายปีจนได้เวลามันก็ตื่นได้เวลามันก็ตื่น เกว่ามีนิสัยจิตเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาคืนอนตื่นสายบราณพูดว่าเอออย่านอนตื่นสายยายทำกินจะหมิ่นเนินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าดูถูกแล้วก็อย่านอนตื่นสายให้ตื่นเช้าร่ลำรวยมีเวลาเหลือเฟือในวันนี้ ทำงานทำการไม่มีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเก็บหอมรอมลิบงานการไม่ค้างค้างไม่ยุ่งเหยิงไม่สับสนเฉพาะงานกรรมฐานนะการสร้างความรู้สึกตัวตอนตื่นย่าหลับๆแล้วก็แล้วกันมาตื่นขึ้นมาวันใหม่มารู้สึกตัวขณะจิต ที่มันรู้ปัจจุบันอยู่มันก็ตื่นตัวเมื่อเห็นกายทางความเป็นจริงเห็นจิตเห็นใจทางความเป็นจริงกายปกติกายไม่ปกติจิตใจปกติจิตใจไม่ปกติมันก็รู้จักสติศีนสมาธิปัญญามันคือความรู้สึกตัว ทุกครั้งที่มันรู้สึกตัวเป็นมันก็เห็นธรรมะเห็นธรรมกายธรรมชาติที่เกิดกับกายมันไม่ใช่เห็นลูกแก้วนะมันไม่เห็นนิมิตแบบนั้นแต่เปนเห็นของจริงเลยกายนอนกายนั่งกายยืนกายเดินกายเคลื่อนกายไหวการฝึกสิบ่จังหวะนี มันทําให้เห็นอย่างนั้นนะการฝึกเตือนจงกมลมหรือการเคลื่อนไหวได้เหมือในอันเดียวกันหรือแม้กระทั่งลมหายใจนะกระพริบตาท้องผองยุบได้อันเดียวกันนั่นแหละถ้าทําเป็นนะเห็นเลยอันเดียวกันเห็นกายเป็นรูปธรรมเหมือนกันแต่ว่าการนั่งสร้างจังหวะนี่มันดีนิดหนึ่งตรงที่ว่า มันมีตัวเจตนาเคลื่อนตัวเจตนาที่จะสั่งตัวเองตัวแนลละเอียดไนงะถ้าใครไม่ได้สัมผัสกับตัวเจตนานะตัวสั่งตัวเนี้ย mm hmm. ก็จะไม่รู้หรอกว่าสติมันคืออะไร mm hmm. อันนั้นเป็นการคิดด้นเดาคนนํานวณคาดคะเนแล้วก็ยกเมฆเอามันก็คิดว่ารวยอะลำรวยจริงไหมล่ะ คิดว่าสวยอมันสวยจริงไหมคิดว่ามีความสุขมันสุกจริงไหมมันคิดเอาแต่พอเราสัมผัสเนี่ยตบดูกระตังในกระเป๋ามันมีนะ <c oughs> เพชรพลอยมีมันใช้ได้จริงๆนะมันของจริงเงินมันอยู่ในกระเป๋าแล้วนะมันสวยจริงจรนะิงมันผ่านเวทีประกวดมาแล้วนะ ก็ให้โลให้ถ้วยให้ประกาศนียบัตรมารับรองอันนี้คนอื่นต้องรับรองให้แต่ว่าทำมาเรารับรองตัวเองทุกครั้งที่มันรู้สึกลงไปจริงๆสัมผัสจริงๆมันไม่ทุกจริงๆเพราะาทุกมันเกิดจากความคิดเด็กมก็คิดแบบเด็กอ่ะนะเนนก็คิดแบบเนนชีคิดแบบชี พ่อแม่คิดแบบพ่อแม่พระคิดแบบพระมันมีวิธีคิดมันมีวิธีพูดมีวิธีทำือนเมืม่อกี้ที่เราปัจเว ก, กนันมันไปชิดคนพิจารณาเนืองอย่าง 1, 2ั้งสองสาม้กเขอที่ิคุณที่ของเรามีอยู่หรือไม่ที่ไม่เป็นผู้ที่เก้อเกินในเวลาที่เพื่อนเป็นชิตถามในการภายหลัง ไม่เก้อเขินเรื่องธรรมะนี่อ า, า, า, านฐานฉาฉาองค์อ่านพอมคือสัจจความจริงที่โกหกกันไม่ได้พูดแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตเลยการพูดธรรมะให้ธรรมะเป็นทานชี้ถูกชี้ผิดอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปพุทธศาสนาสเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องของ สติศินสมาธิปัญญาในะเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์วิธีก้าวลองออกจากความทุกข์วิธีการดับทุกข์เรื่องของมรรคของผลของนิพพานมันเป็นจัิธรรมความจริงที่มีแล้วในตัวเราทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับชาติไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเกิดที่ไหนสกุลอะไรฐานะเป็นอย่างไร ความรู้ความความสามารถคุณสมบัติรูดสมบัติอย่างไรวุฒิภาวะอย่างไรไมันไม่เกี่ยวเกี่ยวความรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวก็วิปลาสบ้าได้ทั้งหมดแต่ถ้าว่ารู้สึกตัวไม่ได้ลืมตัวมันก็เป็นสิ่งเดียวกันจิตใจกาลังเดินทางสู่ความพ้นทุกข์ทุกข์ขณะที่รู้สึกเราก็จะมาฝึกกันวินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่ง ในรูปแบบนอ ก, กรูปแบบในรูปแบบหมายถึงขณะนี้หลายคนกำลังยกมืออยู่นะในรูปแบบมันเป็นรูปแบบถ้ายกมือมันเมื่อยก็หรือว่ามันทำนานๆมันทื่อทำนานๆแล้วมันเบลอไม่ชัดเจนครึ่งรู้ครึ่งหลงหว่าทาไปหลงไป เราก็เปลี่ยนอย่าบทใหม่เหมนกับเขียนหนังสือมันเมื่อยมือมวางดินสอลงเหมือนกับตาเราดูทีวีดูอินเทอร์เน็ตดูแสงสีต่างๆแล้วมันแสบตาหยุดสักพักเพลงอะไรนานๆดูอะไรนานๆมันก็เคืองตาหลบปรับตาสักนิดแล้วก็ดูใหม่มันก็เหมือนกับจะเป็นอย่างนั้นอียบทนั่งเดินยืนนอน เวลาฝึกหัดปฏิบัติทำมันก็มีไว้ให้เราปรับนะทำให้เกิดกำลังของสติมีความชัดเจนทุกครั้งที่มันเริ่มใหม่หรือบางทีมันปวดเมื่อยมากๆบางทีมันง่วงมากๆก็หลบไปก่อนกำลังยังไม่พอก็อย่าเพิ่งไปเผชิญหน้ากับมันมันไม่ใช่เป็นความ่พยแพ้นะแต่มันย่อเพื่อที่จะโดดหยิบเงนะ บางทีชีวิตเรามันไม่ได้ดังใจมันเหมือนก็จะได้เหมือนก็จะถึงวาดฝันวาดวิมานเอาไว้มันใกล้ความจริงแต่มันยังไม่จริงสักทีเรียนจะจบแล้วแต่ยังไม่จบเนี่ยบางทีไปเคร่งเครียดมากกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทเรียนไม่จบก็ต้องผ่อนคลายบางมีสรร น, นาการบ้างเล็กๆเดิน เล่นหอนใจในสวนสาธารณะนะหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมตำ น, นานการต่างๆแทรกแซงไว้นิดนะึนะ่งเหมือนปฏิธรรมนะเป็นการละชั่วทําดีชําระจิตนะเมื่อเข้าตัวภาวนาไมได้ก็ลดลงมานิดหนึงทำดีถึงพร้อมนะเมื่อทําดียังถึงพร้อมไม่ได้ก็มาไข้ครวนด้วยเวลามันคิดแล้วมันทุกข์เนี่ยมันทำแล้วมันทุกข์มันพูดแล้วมันทุกข์น้ำเป็นยังไง เขาเคยทำกับเราเราเคยทำกับใครอย่างอาฆาตพยาบาทผูกอาฆาตดเจ้ากรรมในเวรเป็นครัวรีสตโตรกันเี้ยเราดูแลเห็นเป็นเรื่องไร้สาระเราเคยได้ทำดีเขาต่อไปเมื่อเห็นว่ามันเป็นโทษอย่างไรเป็นคุณค่าอย่างไรอันไหนเป็นคุณค่าเราก็ทำอันไหนเป็นโทษเราก็ไม่ทำ พหลังจากนั้นมันรู้สึกว่าเออมันพอมมีกำลังใจแลยวว่าบุญมีพลังทางจิตทางใจขึ้มนมาบุก็คือความสุขที่ได้มาโดยชอบแล้วก็ต่อยอดเป็นกุศลต่อไปโดยการฝึกหัดกรรมฐานในรูปแบบมันก็ทำอย่างนี้แหละผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาไปรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแต่ว่าเป้าหมายชัดเจนแล้วกัน อันนี้ยกว่ายอ่อบาีกระโดดหยิบให้ถึงเขย่งแล้วไม่ถึงมันเมื่อยมันล้าแล้วเกินสั่นระลิกไปทั้งตัวจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอ้ยเยเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ย่อลงมาเถอะเหมือนอยู่กับทางโลกทำทุกพระทางโลกไงนะทํางานให้กับสังคมทํางานให้กับครอบครัวทํางานให้กับตัวเองทํางานให้กับโลก ทําำดีก็ไม่ได้ว่าดีทำดีคนที่เขากติทำดีไม่ถึงดีทาดีไม่ถูกกาลาเทสายเราก็ต้องโอ้ปรับหนะอยานะเดี๋ยวทายสุดออกไปลุยกั น, นใหม่แค่ว่ามีฝีมือการฝึกการหัดปฏิบัติทำทำให้เราชัดเจนในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติรมเข้ากรรมฐานมันจะมีอารมณ์ปฏิบัติ บางทีมันก็ง่วงเหงาๆหานอนบางทีมันก็เบือ่อบางทีมันก็เซง็งบางทีมันก็ฟุ้งซ่านคิดมากคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มคนนีคิดแล้วเป็นบุญคิดแล้วเป็นบาปบางทีไม่คิดมันก็มีมันรู้สึกตัวซื่อๆเฉยๆรู้สึกตัวเป็นปกติรู้สึกตัวเป็นธรรมดาธรรมดาทําได้เลยเรื่อยๆแป๊บๆหมดวันหนึ่งแล้ว แป๊บนอนตื่นขึ้นมาอีกแล้วบันคือล่วงไปเร็วมากพวกที่อยู่สวรรค์นะพวกที่อยู่นิพพานไปอย่างนั้นก็เลยโบราณเนีเปรียบเทียบเอาไว้ร้อยวันของสวรรค์เท่ากันหนึ่งวันอ่าร้อยวันของสวรรค์นัก็หนึ่งวันของมนุษย์ขออภัยร้อยวันของมนุษย์เนี่ยเท่ากันหนึ่งวันของสวรรค์ สวรรค์ก็วันเดียวแต่ว่าของเราร้อยวันแล้วอย่างคนตายเก็บศพไปร้อยวันอย่างเง้ยนะมันเท่ากับหนึ่งวันของเทวดาที่เขาเดินทางมามันไวมากเลยเหมือนกับเวลาเรามีความทุกข์นะโอ้แต่รอวินาทีวินาทีผ่านไปมันนานจริงๆคอยหมอคอยอาหารคอยเงินคอยคนช่วยเหลือมันนานเวลาผ่านไปมันนานมากแต่เรามีความสุขแป๊บเดียว คุยโทรศัพท์มีความสูงแป๊บเดียวนะหมดจะมองแล้วหมดเครื่องจะมงแล้วนะอะไรกันคุยกันแป๊บเดียวไนงะมำโมโหโตโสดาทอกันนะโะมันเจ็บหูทีเดียวนานมากคุยห้านาทีสิบนาทีมันก็นานเหมือนกับรรมากกันเหมือนกันถ้าคนจิตใจไม่ประณีตไม่ซาบซึ้งไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดนะ ไม่มีพยานะทองรองรับรถกนะ่นพระธรรมในครึ่งชั่วโมงในพิกแล้วพิกอีกน่าเบื่อที่สุดเลยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแต่ ถ, ถ้าฟังเพลงดูหนังเนี่ยโอ้แปบบ๊บเดียวท่านหนึ่งดูมวยตีไก่กินเหล้าเล่นการพ น, นันแปบ๊บเดียวบางคนนี่ไปอยู่ในบ่อลนีแปบ๊บเดียวมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ไปอยู่หนึ่งอาทิตย์นี่หมดเงินหมดทองไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแต่ว่าอยู่ได้ มาปฏิบัติธรรมเข้าวัดนี่แป๊บเดียวเนี่ยมันนานนะอันนี้มันรุ่มร้อนมันบอกถึงพบภูมิในจิตในใจนีถ้าภูมิต่ำเข้าวัดเนี่ยมันกลายเป็นของร้อนแต่ทุกคนที่มีความทุกข์และเห็นทุกข์และมีปัญญาเนี่ยกลายเป็นเย็นเราก็เลยหนีร้อนมาเพึ่งเย็นอย่างเงี้ยวัดวารามต่างๆยิ่งมามีความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเราจะเห็นเลยนะมันเย็น ภายในใจของเราเขานินทาเราก็เย็นก็สรรเสริญเราก็เย็นเมื่อก่อนก็ติหนาเราก็สับสนยุ่งเหยิงฟุง้งซ่านขับอกขับใจรู้สึกร้อนรุ่มกระวนกระวายใจนีพอก็สรรเสริญจิตใจเราก็ฟูพองมีความสุขแต่พอเรามาฝึกความรู้สึกตัวเป็นปกติ ก็นินทาแล้วก็ปกติได้รู้ด้วยเขาพูดอะไรเขาด่าเราเราก็ปกติเรารู้ด้วยเขาคิดกับเราอย่างไรรู้จักนิสัยของเขาเขาสารเสพิดก็รู้ว่า เ, าเป็นคนยกยอปอแป้นอย่างไรหวานนอกขมในอย่างไรภายนอกแหล่ต่อแหล่ข้างในเป็นคนอย่างไรเราก็เห็นก็าจะแชทแบบ น, นั้นเราก็ปกติไม่ได้รักม่ไดจัง ไม่ใช่นินทาเ ก, ล, เกลียดสรรเสริญก็รักมันไม่ใช่เปกติทั้งคู่เขาดีก็ดีก็ไม่ดีก็ได้แล้วก็ปกติเรื่องของเขาก็คือเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่หน้าที่ของเราจะเกี่ยวข้องของเขาด้วยความไม่ทุกขนะ์นั่นคือหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติมีปัญญามีสมาธิตัวเนีน้มันต้องฝึกต้องหัดกันะ ถ้าไม่ฝึกมันก็ทําไม่เป็นเมื่อทําไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้ไม่เย็นไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันก็ทุกแบกโลกทั้งใบอยากเปลี่ยนโลกทั้งใบเป็นอย่างที่ใจเราต้องการเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนตัวเองซะก่อนเคยหลงเปลี่ยนเป็นรู้เคยทุกเปลี่ยนเป็นไม่ทุกตรงนี้เคยโกรธเปลี่ยนเป็นไม่โกรธรู้จักวิชาของพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมาหรือว่าเรื่องการฝึกเจริญสติปัฏฐานตามแนวเคลื่อนไหวปรมาจารย์หลวงปู่เทียนกิติพโพือว่าหลวงพ่อขมเขียนตั้งชี้เลยอย่าไปทําอะไรกันมันเสียเวลาพวกเรามาวัดมาวา่าปฏิบัติธร ร, รมไม่อยากให้ทําอะไรเลยอย่าให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวผมหรืออาตมามีความเห็นและเน้นนะจริงๆไม่ต้องไปขนอะไรมาเลยนอุปกรณ์วัตถุหรือว่าใช้คนมากมายเป็นกองทัพอยง คนเดียวเนี่ยเราเอาอยู่เน้นเนี่ยร้อยคนพันคนก็เถอะถ้าฝึกเจริญสติปัฏฐานกันแล้วเราก็โอ้โหอาทิตย์เดียวแล้วจ่องมาละหมดพลังเลยละประเภ ท, ทซาซาเนี่ยร้องเถอะอยู่ไม่ได้กรรมมั่มก็จัดไปเองอยู่ไม่ได้กรรมม้ามไอ้ธรรมมั่มก็จัดไปเองกรรมมุตนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพวกเป็นเปรตอยู่อยู่กลุ่มเปรตเปลืกเทวดาอยู่อยู่กลุ่มเทวดานะ ผมที่เป็นพระเป็นฝึกสติมันก็จะไปอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกมมันไปเลยเราก็ถอดราหัสอ่านเป็นลายบุคคลไปเลยเสร็จแล้วกลุ่มไหนเราเกี่ยวข้องแบบนั้นเแหนะไม่ใช่ว่าเหมือนกันทั้งหมดมันไม่ใช่หรอกภูมิจิตภูมิธรรมแตกต่างกันมามนุษย์ตัววันนี้หรือว่ายุคไหนยุคไหนก็ตามเถอะมีบัวสีเ่านแต่เดิมทีสมัยอุตส่าห์นามันมีอยสามเราบัวพนน้ําบัวใต้น้ํา บวบปลิ่มน้ำหรือว่าตอนเราไม่มีใต้คนตมหรือว่ายุคเราเนี่เป็นยุคที่ส่วนใหญ่จิตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือมันอาคติมันกว้างดีก็ไม่ทําอันนี้ต้องลากต้องโจงกระ น, นิดนึ่งต้องมีกรอบต้องบังคับต้องมีกติกาต้องมีบทลงโทษต่างๆก็ต้องมีวินัยอ น, นะเสร็จแล้วก็ต้องเรียกว่า ชี้นำสร้างกระแสแล้วก็มีเกณฑ์มีกรอบมีขอบมีเขตแล้วก็มีการเหมือนกับว่าประเมินติดตามผลถ้าทําไม่ได้แล้วก็คอยซ่อมไปเรื่อยๆ เ, เติมสติให้เขาไปเรื่อยๆส่วนที่เขามีศรัทธาแล้วเนะี่ยเย็นๆปฏิบัติได้แล้วก็เสริมให้เขาไปเรื่อยๆอารมณ์ปฏิบัติปฏิบัติหนึ่งวันเป็นอย่างนี้สองวันเป็นอย่างนี้เมื่อเจออารมณ์นี้ก็ต้องแก้อย่างนี้ จนกว่าจะรู้สึกตัวเป็นกันนี้มันแก้อรมด้ตัวของตัวมันเองก็จะสังเกตว่าก็เดินได้เหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะแ น, น, น, น่นนะปฏิบัติได้เหมือนกคนโตแล้วท้ายสุดก็คือกลายเป็นคนที่สามารถที่จะสอนพ่อสอนแม่ไนดะ้หรือว่านำพี่นำน้องนำเพื่อนเป็นประชาชนหรือ ว, ว่าเป็นบุคลากรที่ดนะีต่อไปของประเทศชาติ เราเห็นมันเป็ น, นกลไกที่ได้ในน้อยแต่ว่ามันเป็นของจริงแล้วก็สามารถก่อประโยชน์ทําประโยชน์ได้อย่างมหาศาลมีพลังเพราะว่ามันเห็นแล้วในตัวเรามันมีอยู่ทุกคนไม่เว้นเลยศัจธรรมความจริงก็อนนี้เมื่อเรารู้สึกตัวปั๊บมันก็ต้องรู้น่ะาการของกายมาดูกายก็ต้องเห็นกายมาดูจิตก็ต้องเห็นจิตเมื่อสติมันเด่นก็ต้องรู้จักตัวมันเองนะ บาลของจิตคือความเป็นปกติมาตรฐานของกายมันก็มีเขาบินอยู่มาตรฐานของจิตมันก็ต้องยิ่งชัดเจนนตัวใครตัวเราต้องกลับมาเห็นตัวเราเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยอย่างที่พูดไว้ตอนต้นก็คือมละเอียร์ลึกซึ้งรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากมันไม่ได้รู้โดยการคิดกันนึกนมันต้องสัมผัสลงไปตรงๆเลยแล้วก็วิสัยบัณฑิตจะรู้ได้เพราะฉะนั้นนะ ลองเปรียบเทียบกับองค์สมเด็จสัมมาวันเจ้าท่านได้พูดเอาไว้ชัดนะในสมัย2 0 0พกว่าปีที่ผ่านมานะแต่ว่าตำรบตำรามันเขียนเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะครั้งหนึ่งไปสอนโพธิราชกุมารนะเป็นกุมาร น, นะราชกุมารเสร็จแล้วก็ไปสอนทีนะ่วัดป่าเพศกวัน เป็นโพธิราชคุมาลสูตรที่แวคว้นมะักคุท่านพูดถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะีถ้าสามารถได้ยินธรรมะที่เป็นของจริงนะถ้ารู้ตอนเย็นนะได้ยินได้ฟังตอนเย็นนะพรุ่งนี้ก็จะบรรลุธรรมนะถ้ารู้ตอนเช้าเดี๋ยวเย็นเนี่ยก็จะบรรลุธรรมตอนบ่ายอาจจะบรรลุธรรมหรือว่าเวลาต่อไปสายๆอาจจะบรรลุธรรม ถ้าเป็นศสัจธรรมจริงๆนะท่านบอกว่าคนที่ไม่มีทิฏฐิน ะ, นะหรือว่ามีศรัทธาความเชื่อะจะมรรู้ธรรมได้ง่ายนคนที่ไม่มีโรคมากนะไม่นั่งก็วโวยไม่ลุกก็วโวยเนี่ยไตัวทุกตัวเจ็บตัวป่วยตัวโรคมาศึกษานจนทั้งกายเป็นโรคแต่ใจไม่เป็นโรคนะ กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนะนะถ้าใครป่วยและสามารถที่มีสติเห็นได้นะก็สามารถบรรลุธรรมได้นะแต่ถ้าไม่มีสติเข้าไปในการป่วยอการเจ็บอาการปวดนั่งก็อวยลุกก็อยวะเป็นคนอ่อนแอเปล่าบางไปเลยบรรลุธรรมได้ยากต่อมาก็คือเป็นคนที่พยายามที่จะปาราลกความเพียรอยู่เสมอหลังจากที่ฝึกสติประธานสี่เป็นแล้วเนี่ย ให้ทําให้ถูกต้องต่อเนื่องเยอะรู้จักปลีกวิเวกหลบฉันโดดแล้วก็อยู่คนเดียวไม่คุ ก, ก, กมมคีกัโมกานาเป็นคนที่พูดน้อยคนนีจะเป็นคนที่บรรลุธรรมง่ายพยายามที่จะอยู่กับตัวเองและปาราลกความเพียรอย่างสม่ําเสมอทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบคนสมบัติเหล่านี้มันจะบรรลุธรรมได้ง่ายต่อมาก็คือเป็นคนที่ไม่ มักใหญ่ไฟสูงทำเพราะเห็นว่ามันมีลาบสกาแล้วทำเพระว่าเห็นว่ามันจะมีพวกพรองบริวารทำเพระว่าเห็นว่าตัวเองจะได้เป็นเจ้าลัทธิเสร็จแล้วสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตเราได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เลยละนะเป็นล้านาของพุทธภาณิชย์ทาเป็นล้านาของคนบาปในคาบนักบุญ ทำไปแล้วความรู้สึกตัวนะแทนที่จะพาไปสู่พระนิพพานมันกลายเป็นอัตตาตัวตนยึดติดตัวนี้นะอันนี้ถ้าเราทําแบบเหมือนกับปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆมันก็จะพาไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆต่อมาก็คือลักษณะของคนที่รู้ธรำได้ง่ายก็คือสามารถที่จะเปิดตาใน ตาสติตาปัญญาสมาธินะแล้วก็เห็นนะกิเลสมันเกิดดับนะสามารถที่จะแทงทะลุออกไปคำนะว่าแทงทะลุเนะี่ยหมายถึงว่านิวรณธรรมมันดักหน้าดักหลังนะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเจอด่านด่านขวางกันก้นจิตของเราไม่ให้มันบรรลุ ถ, ถึงคุณงามความดีนะเช่นความม่วงนะเวลามีความม่วเราแทงทะลุออกมาเป็นความรู้สึกตัวหรือเปล่า เวลามันสงสัยมันคือความคิดสงสัยแทนที่จะรู้สึกตัวมันคิดสงสัยแล้วแทงทะลุมหาความรู้สึกตัวได้หรือเปล่าแทงทะลุตัวกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เกิดความโลภความโกรธความหลงการพยาบาทขึ้นมาความฟุง้งซ่านมันคือความคิดเราสามารถแทงทะลุผ่านมาหาความรู้สึกตัวที่ฐานกายได้หรือเปล่า ถ้าเราสามารถที่จะนะมีตาในมีสติมีปัญญาสามารถที่จะแทงทะลนะุเห็นการเกิดดับของคืเลี้ยนะถ้าใครทําอย่างนี้นะถูกต้องแล้วต่อเนื่องตอนเช้าสามารถบรรลุทําได้ในตอนบ่ายรู้ตอนบ่ายสามารถบรรลุทำได้ตอนเย็นเราก็จึงต้องเหมือนกับว่ารู้หลักปฏิบัติให้ชัดเลยนะที่นี่พูดไม่ได้อ้อมเลยนะ แต่ว่าใครฟังแล้วอาจะเป็นวิสัยบัณฑิตน้อง ม, มาใส่ตัวเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์ภายในเดี๋นะี้มันจะมีสักกี่คนกันในวัดเนะี้ยก็เห็นทางเดินจงกรมที่นั่งสร้างเยาวะทำไว้ให้ก็ไม่ค่อยมีคนมาเดินกันหรอกคนมามากจริงๆแต่ว่าฉาบช่วยมากวัดเนะี้ยแวบออกไปเกี่ยวข้องกิจกร ร, ก, ก, รร ก, กรรมนั่นกิจกรรมนี้กิจกรรมนู้น ความรู้สึกตัวล้วนๆที่มันเป็นเปลี่ยวๆโดยไม่ต้องผสมภรสานกับอะไรนะมันไม่ค่อยเข้าถึงนะเพราะเราได้ยินได้ฟังองีกแล้วเนะ่ยม่จะพูดเล่นๆเลยน ะ, นะพูดเพราะว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงๆหลวงปู่เทีย น, นพูดตรงไปตรงมาเลยให้เห็นการเคลื่อนการไหวของกายเห็นใจนึกคิดะจะนั่งผมและอาตมาในทําป้ายเอาไว้ที่ลานหินโค้ง ตรงนี้นเป็นจุดเริ่มต้นของประตูนิพพานนะถ้าจะเข้านิพพานก็คือจิตปกตินะต้องเข้าตรงที่การเคลื่อนการไหวของกายมันเป็นรหัสเลยรหัสลับที่พุทธเจ้านะค้นพบหลวงปู่เทียนท่านก็ปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องอ่านหนังสือนะท้ายสุดพอเทียบเคียงกันมันตรงกันในพระไตรปิฎกอย่างั้งผมและ อ, อตาตมาอีกนั่นแหละก็เกิดไอเดียปิ๊งกระโจดขึ้นมา หลังจากที่เห็นปฏิปดกแล้วก็ไม่เคยเปิดอ่านด้วยเข้ามาถาวายไ ว, ว, ว้ส่วนตัวส่วนตัวเลยแต่ก็มองว่าเป็นของส่วนรวมใครจะเปิดอ่านก็ได้ในวัดนี้มันมีหลายจุดอย่างเช่นข้างหลังนี่ก็มีข้างหลังนี่ก็มีหรือว่าเคยเอาไว้ที่ตรงสํานักงานไต้ลักก็มีสมัยก่อนนะที่นี่จะไม่มีการดูหนังสือหนังหาอะไรทั้งหมดเลยที่นี่ก็ดูกายดูใจกัน ผมและอาตมา ก, ก็รวบรวมหนังสือไว้ที่ศาลาไตาลักษ์ที่นี่ก็มีหนังสือเต็มตำรับตำราเต็มไปหมดเนีผู้รู้ก็เขียนไว้แต่มีขายตามร้านขายหนังสือคนเก่าๆก็เก็บกันไว้ตาำรับตำราโบราณเนี่ยก็รวบรวมมาหามามาไว้ที่สำนัก ง, งานไตลักษ์หนังสือ น, นี้มีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้อ่านกุญแจก็ล็อกเอาไว้แต่ตอนหลังคนก็หยิบไปไปไหนกันเยอะแล้วละ่ะหนังสือเก่าๆเป็นของมีค่ามาก แต่ว่าอยากให้อ่านกายอ่านใจกันอย่างนี้นะรัศลาหน้าก็มีปกสีฟ้าปกสีน้ําตาลปกสีสารพัดมีหลายจุดะตะไบดกสลาหลวงปู่เทียนก็มีชุดใหญ่เลยก็เลยไปทําจําลองไว้เล่มโตยที่ลานหินโค้งก็เปิดหน้าเดียวที่สามารถอ่านและรู้ธรรมได้เลยเป็นหมวดที่เรียกว่าสมย ป, ปพะระดรวยยศใหญ่สี่นั่งเดินยินนอนหรือว่าอาณาประธานนิดหนึง่งหรือว่าดูลักษณะของกายของเรา ศพ ส, สิบ ร, ระยะพวกนี้อสุภะมันมีอยู่การเห็นกายตามความเป็นจริงการเห็นจิตใจตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องตรงนี้มันมีอยู่เห็ Bref, MM light, ase, นแล้วไม่เข้าไปเป็นดูอะไรเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นตรงนี้มันมีอยู่เห็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขาเห็นจิตสักว่าจิตไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขาเห็นธรรมสักว่าธรรมไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขา การเห็นอีบอดใหญ่สี่นั่งเดินยืนนอนการเห็นสภาวัญญาต์ตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นยันหลับแตดูแค่เนี้ยมันบนรรลุทําได้เลยกระทำมาไว้เป็นปิจนาธรรมมีพระเท่ารูปก็เปรียบเหมือนพระเจ้าเงี้ยแล้วก็มีพระธรรมเปรียบเหมือนกับเป็นตำรับตําลาเป็นธรรมชาติเป็นตัวแทนของธรรมชาติเป็นคําสอนคําสั่งคําสอนของพระพุทธองค์ มีพระสงฆ์นั่งอยู่ข้างหลังคือหลวงพ่ออมเขียนซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในวัด น, นี้ยท่านเน้นเรื่องความรู้สึกตัวแต่ว่าท่านมีปัญญาท่านอยู่ได้ปัญญาถ้ารู้จริงๆโดยจะไปเชิญทำงานแต่ถ้ายงรู้ไม่จริงให้มาสร้างความรู้สึกตัวเตียงของท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อสองวันท่านพูดว่าจาสงศินทํำไปอยู่ตอนไหนกันนะบอกหลวงพ่อจะไปนอนเฝ้าให้อยู่ตรงนั้นแหละ ประการที่หนึ่งก็เฝ้าพึ่งนะตอนนี้พึ่งมันหลายรังมากเกือบยี่สิบรังหลวงพ่อบอกมาอยู่คนมีบุญว่ากันนะถ้าไม่อยู่เดี๋ยวคนจะมาลักตีนะประการที่หนึ่งจะเฝ้าพึ่งให้ลดต้นไม้ให้ประการที่สองก็จะมาดูแลนักปฏิบัติทำให้อยู่ตรงนั้นบางทีไม่อยู่ท่านจะมาเดินจงกรมอยู่แล้วนี้แหละอยู่กับนักปฏิบัติทำแต่ทัศ ผมเรื่องจมาอยู่ท่านก็จะไม่อยู่หรอกท่านก็จะไปไหนก็ท่านตามอิสระภาพของท่านนะเพราะเรารู้กันเรื่องความรู้สึกตัวเยมันสําคัญที่สุดอย่านั้นจนกระทั่งมีธรรมจักรใหญ่และในนั้ น, น, นมีสาลีลิกิาติด้วยนะเป็นตัวแทนของพระเจ้าอยู่ในนั้นนะมีกระดูกหลวงปู่เทียนอยู่ในนั้นด้วยเราถือว่าเป็นอรหันตธาตุคนที่รู้แล้วเป็นสาวกนะ มันมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนั้นแล้วยิ่งมีการเดินจงกรมมีการนั่งสร้างอย่างไรนั้นมันยิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดยอดเลยนะต่อให้มีพระเจ้าแต่ไม่มีความรู้สึกตัวก็บรรลุธรรไม่ได้หรอกต่อให้มีหลวงปู่เทียนมีหลวงพ่อคำเขียนมีพระผู้รู้ถ้าไม่มีการฏิบัติลงไปก็ไม่มีทางหรอกชาตินี้บรรู้ทําได้และได้คาตอของชีวิตนะมันก็ยังหาวัดนั้นวัดนี้วัดนู้นรูปแบบปฏิบัติยังมีหาครูบาอาจารย์นั่นครูบาอาจารย์นี้เขาว่าดีก็ไปแห่ แข่กันไปเฮลาโลสารภานะแล้วไทยสึกงงตัวเองต่อไปนะพอตายยังร้องไห้อยูนะ่ลูกเดือยยังทุกอยู่ออกไปทางโลกเจอสังคมเศรษฐกิจกันเมือนก็เดี๋ยวหนีเข้าวัดอีกมันก็เป็นอย่างนั้นจมว่าไหมอย่างที่อาตมาพูดจริงไหมเออะฉนนั้นให้เข้าถึงความรู้นะรู้ตัวรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เลยนะที่พูดเนะ น, นี่ยขณะนี้เดี๋ยวนี้เลย เคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวนีเคล็ดลับของความไม่ทุกข์มันอยู่ตรงนี้ความรู้สึกตัวทุกครั้งเป็นปกติจิตของเราก็มีที่อยู่ทันทีมาตรฐานของจิตก็ปรากฏใครรู้ได้อย่างถูกต้องแล้วต่อเนื่องมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้แหละมันจะเป็นพื้นที่ของใจเราที่จะทําให้เกิดพลังแล้วสร้างสรรค์ผลงานในโลกใบนี้ไม่เกี่ยวกับคุณจะอยู่ตรงไหนทำอาชีพอะไร คุจะรู้เลยว่าคุณสามารถที่อยู่กับตัวของคุณเองได้อย่างมีพลังเรียก ว, ว่าได้เกิดประโยชน์ตนขึ้นมาทําประโยชน์ตนได้เป็นคนที่ทําตัวเองไปสู่ความไม่ทุกข์นาตัวเองไปสู่ความไม่ทุกข์ได้เรียกว่าอาตายิอัตโ น, นนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็สามารถที่จะช่วยผู้อื่นได้เห็นก็ทุกข์นะรู้เลยมันทุกข์ทำไมมันทุกข์ทำไมไม่เกี่ยวว่าทุกข์เรื่องอะไรด้วยน เกี่ยวกับมันหลงทํำไมหลงไปคิดไปพูดไปทําทําไมอดีตผ่านไปแล้วยังเก็บ ม, มาคิดอย่างนั้นก็ทําทกับเรา ท, ทําไมทําไมก็คุณไม่รู้สึกตัวเองหลงความเป็นจริงมีอยู่ไม่หาความสุขลกลงความเป็นจริงดั น, นจะไปแก้ทุกข์ในอดีตนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงจะมุดท้องแม่ก็ไปแก้ปัญหามันทําได้ยังไงเพราะฉะนั้นแก้ได้เลยทันทีถ้ารู้สึกตัวแต่คนส่วนใหญ่ ไม่เคยเข้าใจกันเพราะว่าจะฟังให้เข้าใจมันไม่ได้หรอกต้องทําต้องลงมือกระทาลงไปผิกมือสร้างจังหวะลงไปเดินจงกรลงไปมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมามันไม่มีการสัมผัสรู้มันก็จะต้องเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงที่กําลังปรากฏขึ้นมาด้วยสติด้วยตาในมันเป็นกฎของกรรมมาฐานมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มันก็ไปของมันเองอ่ะนะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเราอยากได้ไม่อยากได้ด้วความทุกข์ความไม่ทุกข์นะมันเกี่ยวว่าเราทําอะไรถ้าทาดีมันก็ดีทําชั่วก็ชัวช่วกรรมดีกรรมชั่วเราก็เปลี่ยนไปเป็นกรรมฐานอยู่เหนือดีเหนือชั่วเป็นปกติกรรมฐานก็พาให้เราได้พบกับธรรมชาติแล้วก็มีธรรมะเกิดขึ้นมาธรรมะก็คุปกองเราตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเขาทุกข์เราไม่ทุกข์ก็สับสนเราไม่สับสนก็มีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหาเรามีปัญญา ถ้าไม่รักเราเราก็รักเขาซะถ้าไม่เมตตาเราแล้วก็เมตตาเขาซะมันก็สบายอะชีวิตเนี่ยจะไปเกณฑ์คนทั้งโลกให้มารักเราเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรืจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเป็นอย่างที่ใจเราต้องการมันก็เป็นไปไม่ได้หรือวิสัยแต่เราเปลี่ยนนะเราให้ตามตามโลกนะเราให้กลมเกินไปกับโลกนะทำได้ง่ายอยู่กับโลกเราก็รักโลกแทนไปโลกจะเป็นยังไงไม่ได้สําคัญหรอก อยู่ที่ว่าเรานะ่ยอยู่ตัวเราอย่างไรโลกกายฟังศอกยาวานาคืบนะตอนเรารู้จักโลกใบนี้แล้โลกทุกใบเราก็สามารถจะอยู่ได้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้จักความรู้สึกตัวนะตกน้ําก็ไหลตกไฟก็ไม่เหลือะไปกับมันหมดเลยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเผาไหมอยู่ความโกรธล้วก็โกรธไม่ได้เห็นความโกรธหรอก อยู่ความโลภเราก็โลภเราไม่ได้เห็นความโลภหรอกไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ <c oughs> อยู่ความหลงแล้วก็หลงไปกับความหลงนะนะั่นแหะเอาความหลงเป็นความทุกข์ไม่เห็นมันหรอกถ้าไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวออกจากความร้อนไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราหนีร้อนมพึ่งเย็นแล้วก็ต้องเข้าใจนต้องสัมผัสรู้นหนีร้อนทางโลกมานะ วางลกวางร้านวางบ้านวางทรัพย์มาอยู่วัดวาราำวัดป่าสุขโตซึ่งมันเย็นอยู่รนภูมิความร้อนข้างล่างเรามาเย็นข้างบนเนี่ยมที่นี้มันเย็นอย่ามาเกิดนี่เย็นสบายหนาวทีเดียวขณะนี้ก็ตามใจของเราเหมือนกันมันร้อนลุ่มอะไรมาก็มารับรู้อยู่กับความรู้สึกตัวเนีทุกนนะมันพึ่งได้จริงๆอ้าก็พูดมาเพื่อเป็นกําลังใจกับคนที่มา บวชลูกบวชหลานบวชเนนแล้วก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนเ้าสักอีกวันสองวันหรือว่ากี่วันก็ตามเถอะก็ปล่อยก็ให้เป็นเรื่องของเา้าไม่ใช่เรื่องเราเดี๋ยวภา พ, พให้เพลียนไดใจดูท่านเองเรื่อ ง, องเราคือมารู้สึกตัวต่างคนต่างทํามกันแล้วท้ายสุดก็คือสิ่งนี้มันก็จะเป็นเรียกว่ากุญแจถอดรหัสชีวิตให้เราได้ปล่อยวางนะ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะถือก็ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถือเพื่อที่เราจะได้เข้าใกล้พระอนัสไตรนั่นแหละเมื่อเข้าใกล้แล้วแล้วก็ถือเอาความรู้สึกตัวถือเพื่อที่จะวางผือถือเพื่อที่จะปล่อยรู้เพื่อที่จะละฝึกตรงนี้แล้วยัยสุดแล้วได้วางกายนะตายจากโลกนี้ไปอย่างสง่า ง, งามหรือไม่ตายแล้วก็วางความคิดความทุกข์ที่มันมีอยู่ ปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกก็ขอใหนะ้ความหวังหรือความปรารถนาของเรานะก็จงพาไปสู่ความสุขนะถ้ายังไม่หมดทุกข์ก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิๆขึ้นไปแต่ถ้านะสามารถที่ต่อยอดความสุขเป็นจิตกุศลมีความฉลาดจนกทั้งเห็นจิตใจที่เป็นปกติหรือว่าเข้าถึงสภาวะของพระนิพพานก็คือจิตใจสงบเย็นแล้วก็สามารถที่จะ เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้นะก็ขอให้ได้พบเจอในวันชาตินี้โดยทุวนาการทุกท่านทุกรูปทุกนามเตน